วันนี้ก็จะขอประรกปกินกะเทศนาต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านทรงตัดไว้อย่างนี้ะว่าทำอย่างนั้นด้วยกรรมฐานสี่สิบมหาสฏิปฐานสูตรเจริญทก เจอณสิบห้าที่บาทสี่สังโยชิสิบบารมีสิบและก็ยังอื่นอีกมากก็พูดกันมาแล้วตอนนี้ไปก็มีเรื่องเก็บเล็กๆ น, น้อยๆเมื่อเคือนที่แล้วผมได้มาปรารถเรื่องการถวายทานเป็นสำคัญว่าท่าน ัญญาโกนัญญาที่ได้มีโอกาสเป็นพระหังก่อนเพื่อนกเพราะการถวายทานของท่านเมื่อท่านถวายทานแล้วท่านก็ตั้งมนโนปฏิธินปราถนาว่าในการใดถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเริมรู้อรหัตผล ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระทศพลพระธรรมและพระอริยะสงฆ์ทัางหลายพร้อมได้ทานนี้พระเจ้าได้ทำแล้วนี้ใส่จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนเพื่อนในโลกนี่ท่านต้องการเป็นพระอรหันต์ขนาดลูกขอปรีต่อมาเราจะมาดูปัญญาวครทั้งสามสิบข้อโทษ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 เช่นพันท่านพัตตะวคีเมื่อถวายทานแลว้วก็รักษาศินสำหรับท่านกระสบสายบินนอนถวายทานแล้วก็รักษาศินสิบท่านพัตตะวคีนั้นรักษาถวายทานแล้วรักษาสินห้น า, า, า, า, า, า, าแ้สองรายการนี้เป็นปัจจัยใหญ่เป็นเหตุให้ท่านทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ตายจากความเป็นคนเราอาศัยทำความดีในศาสนาพระ อ, องค์สมเด็จพระทศพลท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและพะมะโลกตามทุกคนจะเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระบระมศ า, าสนาทรงบัติขึ้นในโลกท่านหลายพวกนี้ท่านก็มาเกิดเหมือนกัน ฟังเทศเจากองสมเด็จพระพักวันเล็กน้อยท่านก็บรรลุอลาถผลท่านฟังไว้อย่างนี้ท่านก็ฟังไว้แล้วก็ดูตัวของท่านด้วยว่าท่านทั้งหลายที่ทาที่กำลังฟังอยู่นี่ท่านทำอย่างท่านทั้งหมดนี้หรือเปล่าวัดตัวเราได้จงอยามีความระมัด ประมาโทมจุนโนประทังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดผู้มีความประมาทบุคคลนั้นชื่อว่าตายแล้วคือตายจากความดี่อท่านหลายจงอย่าอิ่มยาเบื่อในความดีที่ท่านทำเมื่อเราทำความดีเรา้นี้แล้วเราก็ทำดีให้มันยิ่งยิ่งกันไปเอามันให้เต็มดีให้ได้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 ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ให้ความเบาใจแก่ผมงานใดที่รับภาระไปแล้วก็ ท, ทําครบถ้วนทุกอย่างแต่งานใดที่ยังไม่ได้รับภาระแต่เห็นว่าสมควรจะทําท่านก็ทําก็ได้ความเต็มใจอย่างนี้มันเป็นทานหรือเปล่าทานหรือไม่ใช่ทาน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 มันทั้งหนักทั้งเหม็นแต่ความจริงเนี่ยมันเหม็นวยเวลาทํานะหรือว่าเวลาเดินผ่านไปมันเหม็นตีปลาทูในพอกปิ้งแล้วมันจะหอมแต่ตอนหอมต้องระวังนะเพราะวมันเป็นไัยก่อนที่จฉันอนาะหารคราวใดให้พิจรารณาเป็นอาหารเรียบรกูรสัญญาเสียก่อน ถ้าไม่พิจรารณาเป็นอาหารื่ริงโปก็สัญญาจะมีหวังร้มนรกแน่นรกมันมีง่ายสำหรับพระแต่ว่าสวรรค์ภุมนิพพานก็ง่ายสำหรับพระและนักปฏิบัติเหมือนกันตั้งใจผิดมันก็นลงนรกตั้งใจถูกเราก็ไปสวรรค์ ก็ตั้งให้มันถูกซะก็หมดเรื่องกันาหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าไม่พิจารณาก่อนอง์สมเด็จพระชินนวกรกล่าวว่ากีงก้อนเหล็กแดงดีกว่าเหล็กเผาแดงจนโชนร้อนจัดถึ้งปากปากพังถึงคอคอพังทึงอกอ ก, อกพังท้องท้อ ง, องพังร้อนตาย พอตายแล้วไม่มีใครร้อนดูเข้าเผาศพกันเมื่อเวลามีชีวิตอยู่เอาไฟไฟจูบเข้าไปจี้ทูบเข้าไปจี้นิดเดียวดีไม่ดีก็เวียงหัวหัวเราแตกหมดก็เจ็บกะร้อนแก่ก็มโหแต่พอตายแล้วก็ใส่ไฟลุกคึบขึบขึบึ บ, บ, บไม่ยักบน ก้อนี้มีประมาณชั้นใดทึงกล่าวว่าท่านที่ชนอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหารีเปรติโกเดสัญญานี่สำหรับนักรตที่เป็นฆราวาสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทุกท่านพิจารณาอาหารเป็นอาหารีเปรติโกเดสัญญาเดท่านเอ๋ยผมขีดเส้นตายไว้เด็ดเลยว่าท่านเป็นอราวาสหมดในชาติเนี้ย ไม่ให้ใครเหลือจําให้ดีนะเพราะอะไรอาหารเรย์ปรดีโกเรสัญญาอาหารเรายแปลว่าในอาหารปรดีโกเดสัญญาแปลว่ามีความจําไม่ได้ว่าอาหารนี่มันสุขภพปลาธูที่ท่านไปจุดถุงวันนี้มันสะอาดและสุปรกเมื่อเราแยกพูดกันไปมันก็สุปรก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 แต่เวลาที่ปิ้งสุกทอดแล้วสีตอนนี้ชักหอมซะแล้วสซมผักจะไปแต่ลิ้นซาบซ่านไปรสขาวระความเข็มนึกชอบใจว่าเอ๊ะนี่มันเก๋ดีเป็นกันวันนี้น่ากลาจะกินข้าวเลยมากนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้านึกคลุ้มคมแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นเรื่อง ก็ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะได้มันมามันจะกินเนี่ยมันเหม็นเหม็นแสนเหม็นมันเกิดสุกปรกแสนสุกปรกอไอ้ของเหล่านี้มันสุกปรกถ้าเรากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไอ้เลือดเนื้อเรามันสร้างขึ้นมาดีวความสุกปรกแบเ้อเลือดและเนื้อของเราที่มันจะสะอาดและสกปรกท่านที่เป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ชาย ก็จะเห็นสาว ห, หรือไม่สาวที่ไหนเขาเดินมาฮกหน้าตาสะสวย พ, ม พ, วพิมพ์เปาผิวพรรณดีแต่งตัวรู้สึกว่าโกเกะพีที่สะดุตาสะดุดใจอาจจะอดคิดไม่ได้บอกแม่สาวน้อยสาวใหญ่สาวมากสาวเล็กคนนี้ถ้าได้มาเป็นคู่ครองพวกเราไม่จะชื่นใจไม่น้อย ใ่คิดกันมาอย่างนี้แล้วก็หนไปดูอาหารไปนั่งนกึกดูเออเวลาเธอรับทานอาหารเนี่ยเธอรับทานอาหารอะไรนะของที่ใจกินเข้าไปคนจะไม่มีพื้นฐานไม่อยากการสกป ร, รกคนยกินอาหารที่ประมังเธอท่านได้สวยนะหน้าตาเฉล่มช่ำช้อยผิวพรรณผุดของจริยานุ่มนวลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใจไปหมด นี่เราก็เอาอาหารเรียปฏิโกณสัญญาสมาตังสัญญาเาออาาร็วความจำอาหารจำในอาหารว่ามันเป็นของสุปกปกมองไปดูเธอกินอะไรเนาะถ้าไม่เห็นได้กินก็ย่องย่องยอ ง, ยอ ง, ยองตามไปดูเวลาเขากินข้าวเขากินอาหารถ้ากินเหมือนเราแล้วก็เสร็จเราก็โถนี่ดีแต่ขันหมก แต่ข้างในมันก็เลอะเทอะมันเรานั่นแหละคิดอย่างนี้บ่อยๆว่าร่างกายทุกส่วนของเราคนดีของใครก็ดีมีสภาพเหมือนกันมันเต็มใไปฏิความสุขปรกแต่คุณคิดอย่างนี้อะไรไมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งในอาณาคามีจะเข้ามาถึงใจเรา หนึ่งในพระนาคามีอะไรก็ได้ ก, การตัดการมาชันทะความพอใจในกามาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในระหว่างเพศไม่เมื่อเราเห็นเธอว่าสกปรกเธอไม่เสีะอาดจะได้มันรักกันตรงไหนละ่ะมันรักลงได้เมืไรแล้วก็พิจารณาต่อไปถ้ารักกันเข้าแล้วพอเริ่มรักมันก็เริ่มทุกเริ่มรัก ก็เริ่มมีอันตรายเริ่มมีภยมัยเข้ามาถึงตัวมันทุกกันตรงไหนนะบางทีท่านอย่าเถียงเพราะว่าตาลุงตาลุงตาโคลงนี่มันแก่แล้วนี่ไม่รู้จักความรักในความรักที่มันสร้างความสดชื่อในแก่คนในคนที่ร่วมรักกันได้แล้วมันมีแต่ความสุข ตอนนี้ท่านนอนฝันไอความฝันอย่างนี้ท่านฝันหรือไม่ฝันผมไม่รู้แต่ว่าผมมันฝันมาแล้วที่คุยฟังในผมฝันมาแล้วน่ะแม้ว่าที่ผ่านหน้าแว บ, บเดียวไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครคนนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนมีชาติแต่กูลเป็นยังไงไม่รู้แต่ลักษณะท่าทางสุ่มเสียงของแกมันถูกใจไปจริงๆ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 มันเลิกสู้ตั้งแต่ก่อนจอะเข้ามาครองผ้ากาสาวพัดพอเริ่มขยับว่าจะเข้าเคกาสาวพัดผมก็ตัตั้งใจแขวนนวมเลยเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักชกไม่เลือกขนาดชกดะเป็นคนใช้ได้แล้วก็เลือกนะเลือกหน่อย เรื่องจริยาท่าทางมันญยาดอ่อนช้อยมีเจอไดจริยาดีแล้วไม่ดีพูดเพราะไหมมีความอ่อนหวานไหมมีการนิ่มนวลจริยาดีไหมมีระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าใครคุณธรรมอย่างนี้เราไม่โชคอะท่าเท่าไรก็ไม่ชคถ้าชคไม่ได้ดีคุณยายคุณแม่ท่านเกลียดคนประเภทไม่ดี ถ้าท้าทางดีมีระเบียบเรียบร้อยรักประเพณีนิยมอีนี้ไม่เป็นไรท่านสนับสนุนเพราะว่าท่านอยากได้หลานสะพายลูกสะพายแบบนั้นถ้าจะยาแบบนี้แล้วก็ถ้าไปแตะกระรขาเข้าพามาบ้านที่ไรทั้งท่านยายท่านแม่แล้วครับประคับประคองในชอบอกชอบใจแล้วว่ามาคิดมาคิดไปคุณเอ๋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 อ่านไปถึงสุปสัญญากายังตาโุสติกรมาานชักจะเริ่มคานไม่ไหวพอไปถึงขั้นปัญญาอิสุดินักมรว่ที่มีศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศพอถึงปัญญานิเทศก็นอนพลิกตัวไม่ได้ พอในสมาธินิเทศเป็นใบกายุคตาโนสติกรรมฐานในกายเราทั้งหมด่มันไม่มีอะไรดีเลยไปดูในสุภกรรมฐานมดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวมันเน่าไปหมดพอไปถึงปัญญานิเทศเอาแล้วที่ผมว่าก็เรื่องทุกขก็โหมก็เปียโตชายเตโซโกเปียโตชายเตพยายาม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 แม่ได้รู้ข่าวว่าไอ้คนที่เรารักแต่มันไปเดินควงคู่กับใครและส่งจดหมายกับใครคุณเครชักโมโหอ่ะเชื่อว่าโ ห, าาหเสียใจในใจน้อยใจว่าแม้เราสาวอกเอาใจไม่น่าจะเอาใจเอาอห่างอย่างนี้เลยมาแล้วมีคนที่เรารักเคารพเราเคารพเราถือพอป่วยทํำท่าจะตายใจฝ่อ พอตายแล้วใจหวี่ไปหลายวันเสียใจว่าว่าจากท่านเแล้วเราไม่มีความสุขนี่ท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักตอนนี้ภัยอันตรายมาจากความรักถ้ารู้ว่าคนรักเราไปเดินควงโค่กับใครโมโหแล้วโมโหรักมโมโหหิวหิ ว, หวหรักดีไม่ดียอ่อมไปดักยิงท่านนะ ดักตีดักฟันดักทําร้ายดักทํำร้ายด้วยการเถื่อปลงหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพูดเสียดสีเจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มหน้ามนคนนั้นไม่เช่นนั้นก็คนรักของเราสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดทุกข์แง่ตอนนั้นอันตรายมันก็มาทีเราด่าเขาได้เราเสียดสีเขาได้เขาจะมานั่งฟังเฉยยังไงเขาก็แค่เราเราก็แค่เขา มันก็คนมีกิเลสเหมือนกันเราด่าเขาได้เขาชอบใจแต่เขาด่าเราบ้างชักเราชักไม่ชอบใจนี่มันมาจากไหนภัยอันตรายมันเริ่มเกิดจากความรักดีไม่ดีก็ถูกเขาทําลายเอาเห็นไหมไอ้ที่ติดคุกติดตารางเพราะเรื่องของความรักขาดตัวตายเรื่องของความรักถูกยิงตายเรื่องของความรักเราฟังข่าววิทยุฟังข่าวนาักสืบมีทุกวัน แล้วก็เรารักอะไรเนะี่ยเรารักของสุกปบกคนรักที่เรารักแต่มันสวยตลอดกาลตลอดสมัยไหมไบถามคนแก่ที่ร่างกายท่าน ท, านทรงไม่คยไหวถามว่าเวลาที่สาวๆก่อนที่ท่านจะแต่งงานเนะี่ยท่านเลาเยแบบนี้หรือเปล่าถ้าลงเลาเยแบบนั้นนะ่ยไม่มีใครเขาเาไม่มีใครเขาต้องการ เอาแถมกันในเขาก็ยังไม่เอาเลยความจริงทุกคนก็นมาจากความเป็นปลั่มสวยสดงดงามเหมือนกันท่านทั้งชายและหญิงแต่ผลตอนแก่แล้วหมดท่าแล้วไปถามคนที่ก็มีลูกไว้เต้าที่ว่ามีลูกแล้วมันสุขขึ้นมาแล้วมันทุกข์มากขึ้นไอ้ก่อนที่ยังไม่มีลูกในอยากจะมีลูกพอมีลูกแล้วมันมีความรู้สึกเป็นยังไง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 สิ่งที่บำรุงร่างกายให้เราสูงขึ้นมามันก็สกปรกเอ๊จะไปหาพยศอะไรที่เนี่ยว่าจะว่าเรื่องฐานเอาไปหาพยศก็ไปพะยศท่านเปรอะหันได้พร้อมด้วยคณะของท่านห้าสิบห้าคนท่านพิจารณาอะไรถ้าเพราะท่านพิจารณาวัายหญิงท้องแก่ที่กําลังตายท้องกลมมาลอยน้ํามาไม่มีญาติ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 ทเรามาหลงไหลฝ่ายฝันแต่เพียงรูปโฉมน่นพันภายนอกจะไม่ได้คิดถึงสิ่งภายในที่มันเป็นอย่างนี้นี่เรานี่โง่มากท่านได้สัพพัญญาแล้วก็บอกเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนก็ได้บอกพ่อบอกแม่บอกเมียมีก็เห็นใจนึกได้เห็นได้นึกรัางเก็ตในร่างกาย <c oughs> ไปบอกเพื่อนอีกห้าสิบคนเพื่อนก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ดังนั้นพอชาตินี้มาพบองค์สมเด็จพระพุทธกัลเข้าท่านก็เลยสมเร็จอรหาหันเพียงแค่ฟังเทง่ง่ายๆนิดเดียวเรอนุปพิกาาเทศนาตามลำดับพระวิเเจ้าเที่ยงทานอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของสีอานิสงของการบทแล้วโทษของกรรมมาคุณเป็นต้น ถ้าพามหาห้าอย่างนะเพราว่าสี่อย่างก็พอท่านฟังเท่านี้จบแรกเป็นพรโสดาบันฟังซ้าอีกทีพุทธเจ้าเทศน์ซ้าไปอหันาหานี่ก็เพราะว่าพระยศท่านนี้เป็นได้อสุปสัญยามาก่อนหากว่าบรรดาสาวกพองค์สมเด็จพระชินวนวรสทุกคนวันนี้บาเพ็ญทานเป็นธรรมทาน อาศัยพรมิหารเบื้อนหนาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยไม่มีการนังเกียจทำงานด้วยหน้าตาเช่มชื่นเบอกบานแสดงว่าใจท่านเต็มเปี่ยมด้วยความไม่ตาปราณีงานประเภทนี้เป็นการสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็นใจในแดนธุรกันดาร ที่ไม่มีเพื่อนที่ไหนจะเป็นที่เพื่อนได้ต่างคนต่างชนน้นําใจของท่านเป็นน้ําใจที่เป็นยอดของมหากุศลให้ทานโดยไม่หวังผลในการตอบแทนว่ามันเลยแบบนี้พวกมันต้องมาช่วยฉันบ้างท่านไม่ได้คิดแบบนี้พิ ร, รสดาสงเคราะห์จะทํางานให้มันเสร็จที่ได้สะดวกในการแจกจ่ายให้แก่เขา อย่างนี้ถ้าจะไปเที่ยวกันกับทของท่านหกนั้นมันก็ชนกันแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นอาราหันต์ได้ถ้าท่านไม่เป็นอาราหันต์ผมก็สวยเต็มทีนี่ว่ากันทั้งชาติหน้าความจริงถ้านบอนั้นเกิดขึ้นมาทีเดียวท่านพระพุทธเจา้าท่านก็เป็นอาราหันต์แต่หากว่าท่านทุกท่านถ้าพิจารณาในด้านอาสุปสัญญา เนื่องจากอาหารเรียบร้อโกสัญญาเป็นพื้นฐานใหญ่คนท่านเกิดสังเวทในร่างกายเพื่อมันมาว่านี่มันสกรปรกหรอไม่มีอะไรสะอาดวัตถุธาตุทั้งหมดที่จริงเข้าไปมันมาจะพื้นฐานจากความสกรปรกดูตัวอย่างปลาทูวันนี้ก็แล้วกันเหม็นทั้งกลิ่นทั้งเขาโอ้แต่เข้ามาทนไม่ไหว ท่านกำลังใจของท่านคิดอย่างนั้นท่านก็ไปเทียบกับประยยชน์ว่าปัญญาของท่านนี่กำหนดอารมณ์เช่นเดียวกับประยยชน์กับสหายประยยทน์กับสหายพี่เจอนาร่างกายของฟตรีที่กำลังมีคันเนา่าเผาในวันนั้นเกิดนิพิทา ย, ยานโชคสู่เดียว ควาจริงกลับมาบ้านก็นึกแต่บางไม่นึกเต็มบ้างท่ยังมีโผมีเมียกันอยู่ก็สมสูส่กันตามปกติแต่ปัจจัยเพีงเดียวเดียวบรรดาในท่านหลายพวกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ลงมาเกิดใหม่มาเป็นลูกมาหาเศรษฐีเพราะความเมตตาบารนีเป็นสําคัญในที่สุดพวกท่านก็เป็นอรหันต์ชันบบ้นใดอรรถบรรดาธ่านประโยชน์กาวจรท่านหลาย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 เกลือที่ทํามันเนี้อยู่ก็นโจดทองวันนี้จะไปทิ้งในในมะขามมันก็เค็มจะไปทิ้งในน้ําตาลมันก็เค็มจะไปทิ้งในข้องขมมันก็เค็มมันเค็มมันของมันอยู่เรืยไปชันใดขอท่านหลายจงรักษาความดีมันเกลือรักษาความเค็มเมื่อดีแล้วจงอย่าท่านงในความดีเย่าเหลือในความดีความดีจะสลายตน อารมณ์ที na, so, so, so, so, ่เป็นอกุศลไม่เข้ามาครอบงำเพิามเติวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้ดียาบทตามรียาสายให้ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาของท่านจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสงควรยู่เวลาส